Book two. 2 4สที่โรงเรียนในโรงเรีนเราอยู่ที่ไหนว่าเอ๋วีเราอยู่ที่โรงเรียนวีเอ๋อในโรงเน เรากำลังเรียนหนังสือนั่นคือนักเรียนนั่นคือคุณครูนั่นคือชั้นเรียนเรากำลังทำอะไรอยู่ Hvad laver vi? Vi lærer. Vi e Vi lærer t sprog. Jeg lærer engelsk. lærer e n l s æ r e r n s k æ r e r e g Jeg lærer e g s r e n g Jeg lærer engelsk. lærer s æ r e r e n s k r g r e n n g k r Jeg æ e r engelsk. k n r e n s s r s s n æ r e r g s n s k เขาเรียนภาษาเยอรมันเฮนเลอร์เรเราเรียนภาษาฝรั่งเศสบิเลอรรงพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนอิเลอรอิตาลีนส์พวกเขาเรียนภาษารัสเซียเลอรสิ การเรียนภาษานั้นน่าสนใจดีคือน่า e นใจที่จ t เรียนภาเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ